ลูกตามีโอกาสได้รู้จักกับผู้ใหญ่คนหนึ่ง น, นะอดีตเป็นอธิการบดีมาหาหลัยท่านเป็นคนดีมากๆเขาเรียกอาจารย์ปู่นะเห็นไหมเสื้อเขาจะมีทำงานก็เลงจะมาทำงานเรื่องธรรมะนี่แหละด้วยกันไปบรรยายทำไปเจอกันท่านเป็นลูกศิษย์พุทธทาสป็อคนปากใต้ อธิการบดีราชภัฏคนปัจจุบันก็ก็ดีนะคือบ้านพักท่านป่านี้จะไม่มีการซ่อมนะไม่ได้สมไมาได้อะไรเลยท่านอธิการบดีคนก่อนนั้นเนงินไปจําตําแหน่งท่านเนี่ยท่านไม่เอาเลยไม่เอาเงินไปจําตําแหน่งแล้วก็รวบรวมเดือนละทนันตา น, นี้นะเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างเขายืมเขาเรียกเหมือนพ่อเหมือนปู่ คือไม่เอาเงินประจำตาแหน่งนอกจากนั้นก็คือทําสวัสดิการเรื่องนั้นเรื่องนี้ของเขาไม่เคยมีบัตรชนเทเขาบอกตั้งแต่เป็นมาแล้วก็อะไรอีกไม่รู้นะเขาสร้างนะสุดท้ายก็คือ <c oughs> เป็นอธิการบดีสี่ปีเนี่ยเงินส่วนตัวหมดไปหกล้านเวลาทํางานทําการเวลาท่านจ่ายสั่งงานเนี่ย ไม่ค่อยเข้าไปเรื่องอันงบประมาณคืองบประมาณอะไรเร่งด่วนเนี่ท่านจ่ายเองจ่ายเองถ้ามาเป็นคนรวยก็ไม่ค่อยรวยนะดูกันแต่ว่าเป็นคนทําเพื่อสังคมจริงๆอ่ะเป็นคนสปอร์ตไม่มีคําว่าจะโกงจะกินอะไรจ่ายนี่ไม่มีไม่มีไปกินเปอร์เซ็นต์เงินตามล้านต่างๆว่าจะซื้ออันนั้นอันนี้อะไรไปไหมเขาไม่ม่เป็นเขาผมไม่มีในหัวสมองเรื่องแบบนี้นะก็คือทําแบบบริสุทธิ์มาก ได้เป็นได้ทํางานนะคนนี้ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ดีมากๆานะคุถ้า ง, งานที่วัดท่านเตี่ยวใจใส่ดีมากมีงานน้อยๆไปประชุมอยู่ขอนแจ่นเนี่ยประชุมเสร็จสี่ทุม่มบอโอ้ยอาจารย์ที่วัดพี่ประชุมอเอาไงเอาถ้า ง, งั้นผมจะรีบประชุมเสร็จกลางคืนผมจะเดินทางไปเล ย, ยนีไงดูดิมาดดีเลยเห็นความสําคัญน่ะ เป็นคนตั้งใจแล้วพวกคนดีพวกคนดีเขาก็มองเห็นนะครูบาอาจารย์เล่นเรื่องเขารู้ น, นิสัยเป็นไงแต่ถ้าเข้าไปทำชั่วเนี่ยเขาก็จำไว้นานนะนั้นวันวันตายท่านนี่เขาจัดงานให้ใหญ่โตเลยทุกาเคยไปบรรยายไปไรตกระถาไ ป, าไปพวกกวีศีบุรภาทั้งหลายเขามางานคนนั้นมาคนนี้มาคนเต็มนะกล่าวถึงพวกคนดีไง คนดีผีเห็นคนดีผีคุ้มแต่ปัจจุบันนี้หาคนดียากในโวกสังคมในโครงบริหารลงการเมือง<ม>อะไรประมาณเนี้ย ม, มันไม่มีความซื่อสัตย์คือไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นแต่ทำเพื่อตัวเองทุกคนเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่ได้มีหัวใจ อ, อไฟอยู่กับพระธรรมพระธรรมก็คือความจริงของชีวิตนะเนี้ยนี่เรามาเรียนรู้นี่เลยรู้พระธรรมเรียนรู้ความจริงของชีวิตปฏิบัติตัตวเองต้องปฏิบัติความจริงของชีวิต ถ้าเราไม่มีอะไรเกิดมาเดี๋ยวก็ตายกันแล้วไม่ได้มีอะไรอายุน้อยอายุมากกระเค็นนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแต่คนมันหวังอดีตหวังอนาคตอย่างโน้อนอย่างนี้นะแทนที่จะอยู่ปัจจุบันเนี่ยยังมีความสุขคาว่าสุขเนี่ยมันมีหลายแบบนะสุขเพราะอา m ิตรสินจ้างรางวัลสุขเพราะบริโภคนะะแต่สุขที่เกิดจากสมาธิต่างหากสุขที่เกิด จากการทำลายอาสวะต่างๆมันจะเป็นระดับระดับระดับระดับขึ้นไปแต่คนทั้งโลกนี่ยเขาสุกอยู่แต่เวทนาสุกอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถที่จะหนีเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็จมอยู่แบบ น, นี้ได้เวลาทุกข์ก็ทุกข์มากเวลาสุกก็สุกจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นบุรีพัฒนาการมันไม่พอฉั้นสังคมนี่จะแก้ปัญหา ย, ยัางไงก็แก้ไม่ได้เพราะเราไม่แก้เรื่องจิตใจของแต่ละคน พอมันมีคนช่วยเยอะๆในสังคมเนี่ยแนวน้มวงการพัฒนาก็เป็นไปเพื่อการแข่งขันการเึื่องประชาธิปไตยเล่ยๆต่างๆเนี่ยสังเกตดิตั้งแต่สมัยมีการแข่งขันยุคหลังจากนายธานินทร์ไกรวิเชียนมาก็พนเองเกรียงศักดิ์ชมนันันแล้วก็กลัวสู้เขาไม่ได้เลือกตั้งลงที่ร้อยเอด็ดนะตอนนั้นเป็นรัฐบาลต้องเป็นใด้ก็คือเงินก็เลยออกสะพัดเลยร้อยเอ็ ทีนี้เขาเลยเรียกโรคร้อยเอ็ดโรคร้อเอดนะเพราะเหตุมันก็คือจ่ายเงินจ้ังหวะตั้งแต่นั้นเพราะแรกอยู่ไจงจ้างทีนี้ไปจ่ายเงินที่จังหวะไหนกันเรียกตั้งเขาเรียกว่าโรคร้อเอดตั้งแต่นั้นมันเลยเป็นหนักเลยทีเนี้ยแต่ก่อนนั้นก็เป็นแต่มันไม่โจงแย้งไป น, งนั้นนั้นพอเรามีความโลภอยากได้อํานาจวาสนาอะไรอย่างนี้มไปทันทีเลยจิตเนี้ย ทั้ที่จิตหนึ่ ง, งชีวิตหนึ่งเราเกิดมาเนี่ยเราทําให้ตัวเองไม่เป็นทุกข์ก็พอแล้วก็ทําได้แล้วถ้าทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่มีความโลภเลยไม่ได้ไม่มีความโกรธความหลงได้นะแล้วก็ได้รับความเคารพนับถือจากเท ว, วดามารพรผมแต่นี้เราจะได้รับความเคารพนับถือแต่พวกปีหาสานตานตา น, นั่นแหละชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยได้จุดแต่วงนักเลงไงบอเนี่ย ดังนั้นการพัฒนาคนที่แท้จริงเนี่ยพัฒนาไปจากใจนะสังเกตดูดิเวลาเราน อ, นอนก็ไม่เป็นอะไรหลับเวลาตื่นขึ้นมามีแต่ความอยากอยากเรื่องนัตอยากเรื่องนี้สารวัดเตจอยากแต่พอหลับไปก็จบไปที่ทํายังไงต้องให้จิตเราอยู่กับสภาพธรรมปกติอยู่ความหลับความปกติความสงบเลยนะปกติคือหมายความว่า ทำให้เกิดปัญญาสํารอกกิเลสเป็นเข้าใจสัจ์จะของชีวิตขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็จะสบายชีวิตเนี่ยแต่ถ้าฝึกสติก็ไม่มีฝึกสมาธิไม่มีไม่มีการฝึกการฝืนไม่มีการมองด้านในเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเราก็ไหลตามความคิดความอยากเราโมดอยากสนองเวทนานางๆเขาก็อยากสนองมันมากก็อยากรวย อยากมีอยากเป็นเยกรารมัตรฐาภาวตัหาวิภาวตัหาไหลเข้ามาตันทีเพราวะตัณ ห, ห, ห, ห, หาคืออยากเป็นวิภาวะตัหาก็คืออยากเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้ชีวิตเนี่ยแล้วเราจะมาจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือชีวิตเนี่ยไปสู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดีกว่าหรือเวียนว่ายอยู่กับอารมณ์สุขสุทุกข์ทเนี่ยประโยชน์ไม่ค่อยได้อะไรนะชีวิตวันวันหนึงน่ง สุท้ายหลายๆคนก็คือจมอยู่กับร่างกายกลัวากายเจ็บกลัวากายปวดกลัวากายเมื่อยกลัวเป็นแบบ น, นั้นแบบ น, นี้มันมาด้วยกันนะลาบยศสารเสริญแล้วร่างกายสังขารมันจะไหลอยู่ด้วยกันนะ่แล้วเราก็มาเอาจริงเอาจังกับมันนะลงประเด็นไปเรื่อยนะแต่ถ้าเราเข้าใจชีวิตจากภายในเนี่ย ตายวันนี้ก็ดีวันพรุ่งนี้ก็ดีวันไหนก็นดีอยู่ไปก็ทรมานที่เฉยอยู่ได้รักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้เห็นพระกรรมฐานเขาเวลาเขาไปหาหมอนี่คือเขาใกล้าตายแ ล, ยล้วคือเขาทนเต็มที่แล้วไม่เหมือนทางโลกนะทางโลกนี่ห่วงห่วงว่าจะเป็นโรคนั่นห่วงว่าจะเป็นโรคนี้เชคสุขภาพตลอดคือกลัวตายไงฝึกฝนจิตของเราชีวิตเราในจนกระทั่งมันหายกลัวตายแล้วนะ โครคไข้ไข้เจ็บเนี่ยมันต้องเกิดกับทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ทุกขอริยสัตว์นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกขอริยสัตว์มันเป็นทุกข์ข้างนอกทุกข์เปลือกเลือกนะเนี่ยรักษาได้มันก็ไม่หายอันเนี่ยเดี๋ยวมันก็แก่อีกก็เจ็บอีกตายอีกอยู่ในนั้นนะฉะนั้นทําไมเราต้องมาสารวจนเล่นกับเรื่องที่เป็นสมมุติเฉยๆอยู่เหนือการแก่การเจ็บการตายไม่ได้หรือเหนืออุปท า, านพวกนี้ฉะนั้นก็ต้องฝึกใจล่ะ าศาสนาพุทธนี่อยู่กับเรามานานเนอะแต่ไม่ค่อยมีคนได้ผลประโยชน์จากศาสนาไม่ได้ประโยชน์จากคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังอยู่แต่กับประเพณีพิธีกรรมไปวันวานทำบุญทาทานแต่แก่นของพระธรรมเนี่ยเข้าถึงไม่ได้ฉนั้นเรามาอยู่ในนี่ศึกษาแก่นของสัจจะปฏิบัติให้มันถึง จะในน้อยก็รู้นะรู้ว่าเออคำสอนรู้จ้าจเป็นอย่างนี้นะรู้จากศาสนาพุทธต่างจากศาสนาทั่วไปยังไงพุทธศาสนาในระบบประเพณีพิธีกรรมเป็นยังไง ร, ระบบของปรมัตญธรรมเป็นยังไงเราสามารถแยกแยะออกดูออกเป็นเข้าใจเห็นฉันั้นเราก็จะทําได้ถูกต้องพัฒนาเป็นพัฒนาถูกใช้ศาสนาพุทธแบบทั้งหมดเลยทั้งเปลือกทั้งแก่น เปือกกับพี่แก่นปฏิบัติทำเอาพอคนย่อย่องสารเสริญโอ้คนนั้นเป็นนักปฏิบัติธรรมน้อเนี่ยนี น, นี่คนยกย่องเขาเรียกว่าเป็นเป็นใบไม้นี่มีชื่อเสียงแล้วก็มีศีลมั่นคงมีสมาธิมีปัญญาเห็นแจ้งแล้วก็มีวิมุตต์ความหลุดพ้นเดี๋ยวนี้เราจะปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้น หลุดพ้นจากอารมณ์สุขสุขทุกทุกลาบยศเ ส, สรเสริญเหมือนใบไม้ศีลเหมือนเปลือกสมาธิเหมือนกระพี้ปัญญาเหมือนเนื้อความหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยเหมือนแก่นเราจะเอาอันไหนเมื่อเราไปสร้างบ้านเนี่ยเราจะเอาอนไหนเอาคำสอนประเภทไหนมา ถ้าเขาเอาแก่นไม้เหมือนกัน่ะเราจะมาละสายชีวิตเราไม่ให้โลภโกรธหลงเนี่ยเราก็ต้องเอาแก่นของสัจะธรรมมาใช้กับชีวิตเนี่ยเราไม่ได้เอาเปลือกมันฉั้นมาปฏิบัติธรรมในเปลือกชีวิตเรามีไหมมันมีาศาสนาเรามันเป็นเปลือกโม้อะไรจิตเราเนี่ยแต่ก่อนจิตมันว่างๆช้วยๆแต่อคันตุ ก, กะกิเลสปัจจัมามันแว บ, บมาเขาบอกว่าใจนี้เหมือนดวงจันทร์สว่างสวัยประพัดสอนในตัว แต่ที่มันไม่ประพัดสอนไม่สว่างสวยเพราะเมฆมาบังมันเฉยเฉยแต่พอเมกไปปุ๊บมันก็สว่างเหมันเดิมจิตคนก็เหมือนกันแหะมีความประพัดสอนในตัวความคิดมาปิดบังมันเท่านั้นเองอารมณ์มาปิดบังมันก็มืดนั่นเท่าถึงสอนให้ออกจากความมืดนั้นซะโดยการทําลายความมืดทํำลายมายาที่มันมาบังเหงาใจเราเนี่ยก็คือฝึกสตินี่แหละสลายมันละลายมัน ความโลภความโกรธความหลงถึงไม่ไมหมดมันก็ลดลงพอลดลงมันก็เออตัวเราก็มีความสุขละเดี๋ยวนี้คนที่ชอบโกงก็ดีทําอะไรก็ดีเนี่ยเ <c oughs> พราะมันไม่มีความสุขไงเพราะไม่มีความสุขก็ ค, คือคิดว่าเงินคือตัวแปรให้มีความสุขก็พยายามอยู่กับเรื่องแบบนี้เนะนั้นปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเรๆเลยเพราะอะไรเพออราะว่าคนไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเองแล้วมีมิจฉาทิฏฐิมีความรู้สึกความเห็นว่าเงินคือตัวแปรของความสุขทั้งปวง ถ้ามีเงินก็จะมีลาบมียศมีสารเสรินะฮะมีรูปรถกลิ่นเสียงขึ้นมาซึ่งผิดมีแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรฝึกมันโดยตรงเขาต้องบอกว่าอุชุปฏิปนโนสาวกสังโฆฝึกมันตรงๆถ้าคนไหนฝึกตรงๆมีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติทำได้เขาเรียกว่านั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เอสัก พ, พักวัโตส้สร้างวัตสังโกสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือใครก็ตามปฏิบัติธรรมตรงๆแล้วสามารถดับทุกข์ได้น่ะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ต้องนึ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นยังไงก็ได้แต่เป็นผู้ไม่เป็นทุกข์เนี่ยนี่เราไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้านะเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่เชื่อต่างคนต่างมาพิสูจน์อันนี้ ไม่เชื่อก็ไม่ทำตามไม่ใช่นะทำตามแต่ไม่ได้เชื่อทาตามถ้ามันเกิดกับเราเราถึงใจเชื่อเขาเรียกว่ายานะสัมปยุตการทำเรามันไม่เกิดก็ไม่เรียกนั่นใส่ใจกับการฝึกการดูอยู่บ่อยๆสังเกตสําเนกสํารวมระวังทําความเพียรไม่พูดไม่คุย อยู่กับสจัจจสภาวะอย่างเดียวเนี่ยวันวนหนึ่งเนี่ยบ่มเพาะอยู่เจ็ดวันเนี่ยทํำไมมันจะบ่มไม่ได้ใจเราเนี่ยทําทุกวันทุกวันเนี่ยคนนี้ทําเอา้าทําไปแล้วก็ยังเห็นไม่เ็นออกมันไม่เกิดปัญญาเนาะมันไม่เกิดปัญญาผมก็เ ป, เ, ปเป็นแบบนั้นแหละทํำไมไม่ไปยกตัวอย่างคนที่เขาเกิดปัญญาเอาพระพุทธเจ้าดิเป็นตัวอย่างทําให้ได้เหมือนท่านดิคนนี้ทําไม่ได้เอาคนที่ทำไม่ได้เคยทาไม่ได้แล้วทําให้มันได้ คนอื่นเขาก็ทำได้คนนั้นก็ทําได้คนนี้ก็ทําได้ทําบ่อยๆทํำเนืองๆทำด้วยความเข้าใจแต่ถ้าทําไม่ด้วยความไม่เข้าใจเหมือนไปหาเงินนี่แหละไปหาเงินไปด้วยเล่นไพ่ไปด้วยเนี่ยไปสร้างอูกลับมาก็จนทั้งปีนะเพราะหาเงินไม่เป็นไงไมีแต่เล่นแต่คนไปทํางานเหมือนกันกรุงเทพรวยมาก็มีจนมาก็มีนะเหมือนกันมาปฏิบัติธรรมตาดีไปของสัง่ง สามปีกลับมามือเป่าตาบอดไปคลองสร้างมือเดียวพัดขี่มาบอกยังมาอยู่ไปวันเดียวขี่มาแล้วสุ้มตาดีไปคลองสร้างสามปีกับมามือเป่าสุ้มตาดีไปไหม ม, มือเป่าไม่ได้อะไรเลยบ่าไงยะมาคลองสร้างสร้างคือจิตแล้วเนี่ยมันพยศเนี่ยจิตไอนเนี่ยบาดตา บ, บอดไปคลองสร้างเรเห็นหงคืม เป็นเหมือนคนโง่ๆน่ะมาปฏิบัติรม ท, ท่านหาไหวอะไรก็ทำตามไปตาบบอร์ดขอไปคลองสร้างมือเดียวขี่มากขี่มาเลยตัวเดียววันเดียวเองไปนะเห็นลองมึงดู